เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโบธิยานในวันนี้ก็คงนำเสนอเรื่องสุมเม ธ, ธาดาบทต่อไปคือหลังจากท่านสุมเมธดาบทได้บรรลุกาลังแถ่งอภิญญาห้าและสมาบัตแปดแล้วพระพุทธเจ้าทรงพระนามวชีปังกอนได้เสด็จบัดขึ้นในโลกสัสรูแล้วก็ทรงแสดงธรรมจัก ปรแวดล้อมด้วยพระอาหารหันตละคีนาศพจำนวนมากได้เกิดเสด็จจะริกไปในบ้านนิคมชนบทราชธานีต่างๆตามยิ่งอย่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการอนุเคราะห์ต่อสัตว์ตัวโลกได้สเสด็จมาจุดถึงเมืองชื่ออมรว ด, ดีนคร แต่ว่าในหนังสือพุทธวงศ์เรียกว่ารัมณครนแล้วก็ประทับอยู่ที่สุทัศนะมหาวิหารมีประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าพระเจ้านั้นจะเหมือนกันคือหมายความว่าโดยเนื้อหาสาระ คือท่านที่ศัสรุดีศั ส, สรุชอบด้วยพรงเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้ศัสรุตา่างเพราะงั้นพระพุทยาทุกประงค์ไม่มีลักษณะของการโดดบันดาลอย่างที่เราอธิบายเรื่องศาสนาภาษีอ่านไว้เป็นนั้นมากเป็นหนังสือรุ่นหลังมากๆแล้วก็ถ้าพูดโดยไม่เกรงใจก็เพื่อเจ้อเยอะเลย คือไม่มีเหตุผลในความเป็นศาสนาทำนองคล้ายๆกับเป็นศาสดาที่พิเศษพอสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าปับ๊บแผ่นดินราบเสมอกันหมดคนหน้าตาเหมือนกันหมดน้ำไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งมีดอกกะะระหลกเกิดขึ้นสีมุงเมืองแค่ๆกระโลกแค่ในแค่ที้เดียวนะ คือแสดงว่าเห็นว่ามันเป็นความคิดทุกเกษตรกรรมไม่ปรากฏในระดับพระบาลีพุทธวนจะนะในพระบาลีพุทธวนจะนะมีข้อความสั้นนิดเดียวทรงปรารพถึงภิกษุอชิตะซึ่งเป็นราชอโอรสของพระเจ้าอชาติตรูและรับสั่งว่าท่านปูเนี้คือหน่อพุทธังกู ต่อไปจะได้สัตยรู้เป็นพระพุทธเจา้าทรงมนาวสีอริยะเมตไพร์ตอนนั้นเสด็จประทับอยู่ที่อิสิปัตนะมฤคทายวันเดี๋ยเป็นวัดแล้วนะตอนนั้นเป็นวัดอย่างคือปลายพุทธสมัยมาแล้วก็ความก็มีเท่า น, นั้นเนี่ยตอนนั้นก็เป็นขยายขึ้นมาในรุ่นหลังแล้่อวันนี้ยตะเลิดเปิดเบิงไปกันใหญ่ มีคนกลุ่มหนึ่งเอารูปของพระมหากัจายนตะถ้าจีนเนี่ยก็เรียกว่าหลวงพ่อย้าษโตอ้วนไหญ่แล้วก็มาแสดงว่าเป็นพระสีอริยเมตไตรที่จะมาช่วยบำบัดทุกข์ในโลก โยเรเองนะฮะก็มาอาศัยชื่อในนามของพระศรียเมตไใจแม้แต่ศาสนาคริสต์เองก็ได้เรียนเรียนหนังสือชื่อว่าเราคือผู้ที่โลกรอคอยแล้วก็เขียนไปเขียนมาปลอมประวัติศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็ย่อดหน้าว่าถ้าประวัติศาสตร์เป็นจริงดังที่กล่าวมาสแสดงว่า พระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงประกาศศขที่พระเจ้าทรงมาให้ประกาศข่าวดีแก่ชาวตะวันออกเพื่อให้เตรียตนเตรียมตัวทนรับยยประโยชนไปนู่นเลยคือประวัติศาสตร์จะไม่คิดเองเ น, นะว่าเองไม่มีหลักฐานทางวัติศาสตร์อะไรเพราะอะไรเพราะว่าสังคมคนเนี่ยอ่อนแอแล้วต้องการอา ศ, าศาัยการพึ่งอำนาจการดลบันดาลจนไม่ได้องถึงเหตุผล ว่าถ้ามีการดนบรรดาลได้มันยิ่งมีปัญหามากกว่าดนบรรดาลไม่ได้แล้วก็ผู้ที่ดนบันดาลได้นั่นเองในที่สุดจะลําบากมากที่สุดเพราะมันจะเกิดแข่งขันกันสมมุติว่าดนบรรดาลให้มีอะไรทรัพย์สินเงินทองตกลงมาจากภาคฟ้าเนี่ย แล้วคนหนึ่งก็ขอให้มากกว่านั้นคนหนึ่งก็ขอให้มากกว่านั้นคงเขืงขอให้มากกว่านั้นแลน้ในที่สุดก็เสร็จเอาใจใครไม่ได้เลยเพราะในกฎของกรรมเนี่ยจะเป็นกฎธรรมชาติคนทั้งหลายนั้นจะเป็นไปตามกระบวนการของเหตุผลมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะไม่จาเป็นจะต้องไปวุ่นวายอะไรกันขนาดนั้นเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงพนาบทีปังกร มันก็คือแบบเดียวกับพระเจ้าของเราเพียงแต่ว่าโลกมันคนละยุคคนละสมัยมาห่างไกลกันลิบลนพ้นที่จะประมาณได้นะตอนนั้นตัวเลขบางอย่างเนี่ยคือเราต้องนึกว่าโลกมันเข้าสู่ยุคเสื่อมยุคเจริญแม้แต่กับต่างๆที่ท่านแสดงไว้มันเข้าสู่ยุคเสื่อมยุคเจริญเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ศึกษาย้อนอนดีตไปได้ไม่เท่าไหร่ปัจจุบนัน โลกอาจจะเคยดับมาแล้วแล้วก็มาเกิดขึ้นมาใหม่แล้วกี่ครั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหลักการสำคัญเนี่ยมันอยู่ในเนื้อหาอย่างเดียวกันท่านบอกว่าเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการโนเคราะหต่อชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อกลูเพื่อ ค, ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคล น, นั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าวันปฏิปังกรพุทธเจ้าก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนดีตจะถามว่ามีแค่ยี่สิบเจ็ดองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเราจริงหรือเราก็ไม่รู้หรอกอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ เพราะไรเพราะว่าในบทสวดบทหนึ่งอาตมาเองไม่เคยเชื่อตวไหร่นะรู้สึกมันมากไปหน่อยมันแบบกติม า, ายานมากไปน า, ายานไปนับจำนวนพระพุทธเจ้ามากกว่ า, มาเมล็ดทายในคงคานาทีโอ้มันมากไปเล้ก็อาที่เรียกว่ามา ก, กว่าสมควรก็แล้วกัน ถ้าเบถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงการเกิดขึ้นของพระเจ้าก็เรื่องง่ายนะเพราะว่าทรายในแม่น้าําพงคาเนี่ยโวมันไม่รู้ส ก, กีเอาอะไรประชากรโลกมากี่ตลบก็เทียบไม่ได้บังกรณีซะว่าอาจจะมีก่อนหน้านั้นแต่ว่าท่านตัดตอนมาแล้วก็ไม่ค่อยให้รายละเอียดส่วนมากเราจะเจอรายละเอียดที่องค์ที่ตะลายละองค์ที่ ยี่สิบสามคือพระวิปัสสีพระวิปัสปปสีวิปัสสีสิสกีเวสกูโกนคมกัสสปนะแล้วก็คือโคดมคือกัสกปะแล้วโคตมะพระโคตมะคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประวัติกางพิสดารมากประเพื่อนเอาหัันก็จะเล่าโดยโครงสร้างอย่างเดียวกันทีนี้การทำประโยชน์แก่ชาวโลกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแบบชีวิตของมหาบุรุษทั้งหลาย คือเราสังเกตนะฮะทุกชีวิตในโลกนี้มีสถานะเท่ากันสถานะหนึ่งก็คือเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนั่นเองตัวเองมีส่วนยึดโยงหลักอยู่สามหลักหนึ่งก็คือสกุลหรือครอบครัวเนี่ยขายายไปวงสาคัญาตทั้งหลายสองก็คือสังคมหรือโลกที่ตนเป็นปสมาชิกอยู่ แล้วก็สามก็คือภารกิจการงานที่ตนต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามหน้าที่เหล่านั้นเพราะเวลาพูดถึงจริยาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพูดแค่สามข้อแต่มันครอบจั ก, กรวาลไปเลยแล้วเราเองถ้าเราลองคิดดูนะเราก็มีสามข้อเหมือนกันคือหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกหลานของสกุลทำยังไงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าให้เป็นลูกหลานสกุล ให้เป็นลูกสืบต่อดำรงสกุลหรือเป็นลูกที่เชิดชูสกุลได้ก็ยิ่งดีฐานะหนึ่งเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของประชาคมโลกคงไม่ต้องพูดถึงโลกแหละฮะเอาประชาคมนี่ใกล้ๆอย่างเช่นประเทศชาติเนี่ยเราเกิดมาอาศัยแผ่นดินนี้นะฮแผ่นดินนี้ก็อยู่ได้ถ้าเราไม่เกิดมาเนะี่ยพเราเกิดมาได้อาศัยแผ่นดินนะก็น่าจะพอแล้ว มันเป็นความรู้สึกอาตมาเองก็เป็นลูกกำพร้านะฮะแต่เราไม่รู้สึกมีปมด้อยอะไรเลยเราอยู่ลูกกำพร้าเยอะไปในโลกเนี้ยพระพุทธเจ้าอย่างกำพร้าเลยนัภาษาอะไรกับเราแต่ว่าเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินเราเป็นหนี้บุญคุณของแม่ซึ่งเราไม่เคยเห็นเลย เราใจว่าแผ่นดินนี้ก็อยู่ได้โดยไม่จําเป็นว่าเราต้องเกิดมาแต่ว่าทําไมพอเราเกิดมาแล้วเราทวงบุญคุณจากแผ่นดินเยอะเหลือเกินเอาใช้สิทธิ์อะไรมาทวงเรามาอาศัยเขาเกิดอาศัยเขาอยู่อาศัยเขาตายนะพวกเดินขบวนเรียกร้องอะไรตออะไระหนี่ต่างๆเนี่ยเราฟังแล้วเราหดหัวบางทีก็อ้างความยากจน ก็กลายไป็นธริเมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคนเราเนี่ยถ้าเกิดสานึกรู้จักตัวเองชัดเจนเนี่ยพ่อแม่เราเกิดเรามาทีเดียวพอละแล้วลสมมติว่าพ่อแม่เราเกิดมาแล้วถ้าไม่ได้เลี้ยงดูเราเลยแต่ถ้าให้ชีวิตชีวิตที่เป็นคนเพราะพ่อแม่เราเป็นคนถึงให้ชีวิตที่เป็นคนถ้าพ่อแม่เราเป็นแมวเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นคน พอให้ชีวิตที่เป็นคนแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เลี่ยงดูโดยเหตุผลอะไรก็ตามแหละท่านไม่ได้เลี่ยงดูแต่ว่าบุญคุณที่ให้ชีวิตมันมีใครอื่นจะให้ได้เพราะถ้าเราสํานึกในฐานะผู้อาศัยแผ่นดินแทนที่จะเรียกร้องกับแผ่นดินมันต้องตั้งคําถามขึ้นมาใหม่ว่าเกิดมาจนเดี๋ยวนี้เราให้อะไรแก่แผ่นดินมันแต่ใช้สิทธ์อะไระเรียกร้อง ในฐานะผู้อาศัยในใช้สิทธิ์อะไรเรียกร้องตัวเช่นว่าแผ่นดินเนี้มันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนทั้งหลายแล้วต้องช่วยกันนะช่วยกันทํางานเพื่อแผ่นดินเปรียชาติบันเมืองพูดง่ายนะเพื่อแผ่นดินก็หมดแหละเพราะในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมก็คืออภิชาติตบุตรของสังคมหรืออนุชาติตบุตรของสังคม ท่านอนดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียท่านเนรูตั้งกล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอภิชาติบุตรของอินเดียเป็นลูกอินเดียเป็นแต่ว่าเป็นลูกสุดยอดของอินเดียก็คืออภิชาติบุตรของอินเดียแต่ถ้าเรางงมองกันในความเป็นธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอภิชาตบุตรของโลกมนุษย์แล้วก็ไม่ใช่โลกเดียวนะฮะมาร you know, าโลกพรหม โ, โลกเทวโลกอะไรเพราะว่าโลกไม่เคยมี บูดมนุษย์อย่างนี้ไม่มีลูกของคนคนหนึ่งอย่างนี้อย่างน้อยก็เป็นกลับเป็นการกันมาแล้วนะเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปที่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อน อ, องค์ที่ยี่สิบห้าเนี่ยพระกุะกสันโทเนี่ยมันห่างพระพุทธเจ้าไม่รู้สักเท่าไหร่ก็แสดงว่า ในหลายหมื่นปีมานี้นะฮะกี่แสนปีเราก็ไปรู้แหละว่ายังไม่มีโลกไม่เคยมีลูกขนาดพระพุทธเจา้าเพราะในยุคตรงนั้นก็เหมือนกันแหละพระตันหังกรก็คืออาภิชา ต, ตบุตรของโลกมนุษย์แล้วก็เทวโลกบารโลกภพ ม, มันโลกตอนนั้นก็ทําประโยชน์แก่ชาวโลกด้วยการที่ เ, เสด็จจาริกไปในคาบในคมชนบทราชธ า, านีต่างๆเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลก ถามว่าทำไมไปจนวนหมาศานไลยเกิดว่าแสดงว่าคนในยุคนั้นนะฮะยุคเมื่อหลายแสนกลับมาแล้วนะมีคนมากเหมือนกันแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งท่านไมา่แยากย้ ก, กระจาย ก, กระจายกันไปก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนได้ทำบุญสุนทานกันก็เป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกที่เราเรียกเวลาพระบินทบาทว่าพระปสัตโบราณนะท่านเรียกอย่างนั้น พระเองไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดว่าโปรดสัตว์แต่ว่าคิดเรียกว่าไปเชื่อไปเพื่อก้อนข้าวเพื่ออนุเคราะห์ชาวบ้านนะแน่นอนแต่ว่าเราจะเห็นว่าการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าชาวบ้านคิดว่าพระมาปโปรดก็เป็นโอกาสที่ให้ตัวเองทำบุญ แต่ถ้าชาวบ้านเกิดไปคิดว่าพระเนี่ยเราเลี้ยงดูมาเองเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวหรอกไม่ทำบุญหรอกไอ้ น, นี้ไม่ได้เรื่องอะไรเลยคือคิดแล้วเป็นบาปตนพระเองก็เหมือนกันถ้าคิดในลักษณะทวงบุญทรงคุณแล้วมันก็เป็นบาปความคิดบางอย่างเนี่ยปัญหาว่าใครคิดเนี่ยเช่นสมมติว่าพ่อแม่คิดทรงบุญทรงคุณจากลูกเนี่ยไม่ถูก ลูกคิดสำนึกคุณของพ่อแม่เป็นความคิดที่ถูกต้องจะทวงบุญทวงคุณวัเ น, นี่ยเป็นพ่อแม่ได้แต่ไม่มีผมก็ไม่มีโอกาสจะเป็นพ่อแม่อย่างนี้ไม่ได้จะไม่มีสิทธทิจะไปพูดอย่างนั้นไม่มีสิทธิจะไปทวงอย่างนั้นแต่หน้าที่อีกประการหนึ่งคือหน้าที่ของพ ร, ระพุทธเจ้าคือเราก็เราก็มีหน้าที่นะหน้าที่เยอะเลยนับไม่ถูกไม่ไหวไม่ไหวปัญหาสําคัญว่าในแต่ละจุดที่เรา ทำหน้าที่ตรงนั้นคือทําให้ได้ทําให้ดีแล้วก็ทําให้เป็นนั้นก็เป็นปนัญหาใหญ่ซึ่งบุคคลจะต้องสนักสํานึกสำํำนึกตัวนี้เป็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเราเใจว่าชื่ออะไรเพราะเพะหเหลนะือเกินภูเขาก็ชื่อว่าธรรมิกะชื่อพระพุทธเจ้ากฤติปังกรผู้กระทําซึ่งเกาะคือชีพพึ่งแก่ชน เมืองก็ชื่อเพราะอมราวดีนครวัดก็ชื่อเพราะนะฮะสุทัศนสมหาวิหารเหมือกวัดสุทัศนะฮะสุทัศนมหาวิหารผู้ชาวบ้านเนี่ยทราบข่าวการเสด็จเข้ามาของพระพุทธเจา้าพร้อมด้วยประสงค์พุทธปริวาสต่างก็ถือดอกไม้ทุบเทียนไปบูชาพระพุทธเจา้าแล้วได้สะดับทำกระถา ในสำนักของพระองค์เกิดสถานเรื่องใสจึงนีมนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยะสง์เพื่อสวยและฉันในวันรุ่งขึ้นชวงกันกลับเพื่อจะเตรียมเ้าเรียกว่าอาสะทิษฐ์มหาทานคือเป็นทานที่เขาบอกพระเจ้าพระองค์หนึ่งจะทําได้องค์เดียวคือทําได้ครั้งเดียวแล้วก็ผู้หญิงจะต้องเป็นผู้นําตรงนี้แปลกนะอย่างสมัยพุทธการเราก็ พระนางมาริกาเทวีเป็นผู้นำในเรื่องการทำทานประเภทนี้แต่ก็ระดมขึ้นมาอนเนกนันน์นะฮะก็แสดงว่าเป็นทานใหญ่เพราะว่ามีการเตรียมการใหญ่วันรุ่งขึ้นก็จะเสียมตกแต่งปูราดอาสนะสร้างปรัมวิธีะระตตนาุทธเจ้าไป็นจำนวนมากเนียแล้วก็ที่น่าสังเกตแนว แนวการประดับประดาตกแต่งของท่านที่ท่านแสดงไว้นะ่ะฮะมันเป็นรูปของประเพณีรูปของวัตนธรรมรูปของจารีตที่ยึดถือปฤติปฏิบัติมาท่านบอกว่าได้สร้างมนต ด, บ ป, ดบประดับประดาด้วยพวงดอกไม้ของของปูลาดพุทธอาสนาอันมีค่ายิ่งอบประดับด้วยของหอมยกธงใสธงแผ่นผ้าตกแต่งมันคาที่พระพุทธเจ้าเสด็จ มาเห็นมาแนวเดิมนแนวเราเนี่ยมันเป็นแนวที่ค่อนข้างลงตัวเพราะงั้นการศึกษาของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการศึกษาเป็นการเรียนเพื่อจะเรียนเรียนแบบแผนหน้าต่างที่ท่านได้ประพฤติได้กระทํากันมาว่าท่านประพฤติกระทํากันมาอย่างไงเราก็พยายามที่จะลอกเรียนการประพฤติกระทําของท่านอย่างกัน ในขณะนั้นนะท่านสุมเมธดาบทประสงค์จะไปยังป่ายมาผ่านด้านทิศเหนือแล้วก็เข้าจจตุทะชานเมียพิญญาเป็นบาทออกจากชานแล้วก็เหาะขึ้นไปเบื้องบนของมนุษย์เหล่านั้นเห็นคนตั้งหลายทำงานกันเยอะยะยู่ยเยือไปหมดแต่มันสนุกสนานเนบิกบานแ่มชื่นรื่นเริงใจก็เกิดสงสัยขึ้นมา จึงถามว่าแผ่ถางลุนทางเพื่อทำอะไรก็ก็บอกว่าเพื่อเตรียมตัวต้อนรับพระพุทธเจา้าสุภนามาธิ ป, ปังกรพุทธเจา้าท่านสุมเมธท่านอยู่ในป่าท่านไม่รู้เรื่องการเกิดขึ้นของพระพุทธเจา้าตพนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเกิดปีติสมนัตขึ้นมาอย่างสูงเพราะว่าโดยพืชนธยาศัยนี่มีความยินดีในพุทธภาวะอยู่แล้ว แต่ว่าทำยังไงว่ามาเจอลาบมหาศารขึ้นมาเช่นนี้ก็ขอมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการทําความดีตรงนี้ด้วยก็เป็นลักษณะของอนโมทนาแต่ว่ามันเป็นเบญวาตจะไม่นะฮะคือช่วยเหลือคนขวายกันในทางที่ชอบแต่ว่าคนอื่นก็ทําอยู่แล้วก็ขอร่วมขอมีส่วนแบ่งแล้วขอจับจองพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่ง ถ้าหากว่าท่านจะใช้ริตบันดาลเนี่ยแป๊บเดียวท่านก็ทำได้แล้วแต่ว่าไม่ทำาอั น, นี้คือหลักอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยอาตมาว่าใช้รถบางทีเพลินไปหน่อยเช่นว่าไปในสังเวชนิยฐานปูญญนิยฐานต่างๆก็เอารถไปนะขึ้นก็ถึงนั่นเลยแล้วไปลงจากรถแล้วก็เข้าไปมีหารเข้าไปที่โบสถ์เลย แต่ถ้าเรานึกถึงปฏิปทาของคนดีในอดีตเนี่ยนะเขาจะไม่นํายานพานะเข้าไปอยากพระเจ้าพิมิสารด้วยภาพพระพุทธเจ้านี้จะจอดยานภานะไว้ที่ห่างไกลแล้วก็เดินด้วยประบาทเข้าไปพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงทําไมล่ะพระมานดาอยู่ดุสิตนะฮะ มันยังมีชั้นยามขวางอยู่แลวชั้นดาวดึงเผลก็คือต้องการให้พระพุทธมารดาเนี่ยสเสด็จดำเนินมาเพื่อได้บุญในการเดินเนี่ยในการมาที่จริงถ้าก็มาเป็เทวดานะเพราะในแนวตัวนี้มันเป็นปฏิปทาที่เราลองสังเกตว่าคนมีฤทธิ์แต่ไม่ยอมใช้ฤทธิ์ถ้าเราเทียบปัจจุบันก็คือว่าเรื่องตวเนี้ยเรามีสตางค์ก็จ้างทาก็ได้แต่เราอยากทาเอง มันเป็นการเพิ่มบุญขึ้นมาอีกเป็นนันมากนี่คือปฏิปทาของบัณฑิตแต่เราตั้เกตนะความคิดเรากับบัณฑิตเนี่ยไม่ค่อยลมลอยกันเท่าไหร่ริงผู้ยิ่งใหญ่แล้วนี่เรียกว่าไมาย่ยอมเดินเลยนะวัดบางวัดท่านลงทุนปิดประตูเลยจะลงทุนทำให้รถค้าไม่ได้คนก็บางทีเขาก็ไม่ยอมเข้าเลยรถค้าไม่ได้ มันอ่อนแอนะยังเคยไปสังเกตไปอบรมในหมหาวิทยาลัยบางแห่งหรือว่าที่โรงพยาบาลอในรี่ใดเ่ยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊สามชั้นไม่น่าจะขึ้นลิฟต์นะน่าจะหัดบริหารร่างกายจะบ้างเดินออกเรื่อยออกแรงสักบ้านเพราะว่าประเดี๋ยวร่างกายจะไม่มีแข็งจะไม่แข็งแรงคือไม่เดินเรนะื่อยเนี่ยไม่เดินอยู่บ่อย ที่จริงขึ้นอาคารขนาดสักสามสี่ชั้นเนี่ยไม่น่าจะใช้ฤทธิ์เพราะว่าเดินขึ้นสูงไม่จริงบริหารร่างกายดีนะฮะลงมันก็สบายสบายอยู่แล้วแต่ห้าหกเจ็ดชั้นก็ยังว่าไนดะ้ต้องขึ้นกันนะอันี่ก็คือคือเป็นเป็นแบบอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าท่านสุมเมรดา บ, บทท่านมีอิทธิฤทธิ์นะฮะมีอิทธิวิธิด้วย หมายความไมความสามารถจะนิรมิตจะทำอะไรได้ตามที่ตนต้องการแต่ว่าไม่ทำเพราะในขณะที่ท่านกำลังปรับพื้นที่อยู่เนี่ยทำไม่เสร็จพระเจ้าทรงประนามมติปังกรพร้อมด้วยพุทธบริวารก็เสด็จมาถึงที่นั่นพล ด, ดีการต้อนรับรก่ากำลังเดินไปเทวดาวมนุษย์ทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุการแท่ซ่องกันเป็นการใหญ่ ท่านก็เลยคิดว่าวันนี้เราต้องถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาเลยเลยนอนพาดตัวเองเป็นสะหานอธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าและพระหันหลารเดินบนหลังท่านจนแน่นอนแลยฮะคือพระพุทธเจ้าพระหันนั้นท่านก็เดินเป็นธรรมเนียมไม่ใช่ไปทุ่มตัวหนะักถุมไปเต็มที่เนะี่ยคนเดินเยอะแยะมันก็เดินไม่ไหวหรอกแต่ว่าก็เดินไปเป็นการฉลองศรัทธาของท่าน แล้วในที่สุดเมื่อพุะเจ้าเสด็จตังเงินไปแล้วก็ทรงเห็นความเลื่อมใสยอย่างยิ่งที่สุมเมศดาบทได้แสดงออกมาโดยการตั้งอธิษฐานว่าเราจักบรรลุสัพพนิตยานเป็นพระพุทธเจ้าในโลกจากยังมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากพลื่นน้ำใหญ่ ด้วยบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่นี้อันนี้เราสังเกตนะว่าชาติก่อนชาติที่อุทิศชีวิตให้เป็นอาหารเสือก็อธิษฐานแนวนี้ชาตินี้ก็อธิษฐานแนวนี้ผลจะถ้าเอาปฏิปทาของพระโพธิสัตว์แล้วทุกครั้งที่ทำบุญจะมีการอธิษฐานเพื่อผลนันดีงามที่ตนเองจะได้รับแล้วก็นำผลตรงนั้นนะไปช่อเหลือเกือกูลเกิดโลกในโอกาสต่อไป ทุกฝั่งทั้ ง, งหลายแต่ร่มประโพธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทบบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพบูุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี